ทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะขอแนะนำเรื่องของศีลให้กับคณะจดทาย า, า, าติโจมให้ได้รับรู้รับทราบเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องศีลศีลธรรมไม่ใช่ของเล็กน้อยให้พวกเรานึกย้อนดูว่า คนที่ผิดศีลคนที่ไม่มีศีลออโดยมากเขาเอาไปขังไปในคุกนะให้พวกเราสังเกตดูให้พวกเราศึกษาดูถ้าพวกเราไม่ศึกษาพวกเราจะไม่รู้ว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรให้พวกเราให้ไปถามพวกคนคุมนักโทษที่เรือนจำถามว่า คนเนี้ยนายกรนี่เข้ามาคุกนะขาน่าวนี่เขาผิดทำผิดอะไรถ้าพวกเราท่านทั้งหลายรู้ว่าคนอยู่ในคุกนะ่ะถ้าถามเขาแล้วศึกษาในประวัติของเขาการกระทาของเขาแล้วโดยมากเขาผิดสินห้าทั้งหมดคนไม่มีศินห้าคนละเมิดสินห้าคนคนล่วงเกินสินห้า คนไม่มีสินห้าที่เขาเอาไปขังไว้ในคุกนะแต่คนมีศินห้าแนตะ่เขาเอาไม่เขาไม่ไม่เอาไปขังเพราะเป็นคนดีเพราะนั้นให้พวกเราให้เข้าใจเอาไว้ว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มครองโลกจริงๆทำให้โลกทั้งโลกพร่มเย็ดเป็นสุขถ้าหากว่าโลกเป็นผู้มีศีลพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลเพราะนั้นศีนลธรรมของพระพุทธเจ้า คนโบราณเขาจึงยกย่องเชิดชูบูชาจะไปในสถานที่ใดถ้ามีศาสนาพิธีอย่างวันนี้แหละเขาก็จะต้องไหว้พระประกอสมาทานศีลถ้าหากว่าพวกเรามีศีลถึงพวกเราจะรักษาศีลตลอดไม่ได้แต่เราก็รู้จักบุคุณค่าของศีล น, นั้นทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุข เ, เพราะฉะนั้นวันนี้ เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้จะร่วมกันถวายภาป่าสามัคคีก็พวกเราก็ได้ไหว้พระสมาทานศีลอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะกล่าวว่าณโมซะก่อนพานำว่าณโบณนะโมตัดสาวพระควโตัวอรหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะความแปลและความหมายของณโมนั้นว่า ข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าทําไมเราจะรับสินเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นความคิดเรื่องศินห้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดคิดค้นขึ้นมาว่าสินห้าเป็นศินคุ้มของโลกเพราะฉะนั้น เมื่อเราจะรับศีลห้าเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคําสอนออกมาว่าศีลห้าเป็นศีลทําให้โลกร่มเย็นเป็นสุขแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังธําคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมรับกันยอมรับว่าศีลห้าเป็นศีลที่ทําให้โลกร่มเย็นเป็นสุขจริงเพราะฉะนั้นก่อนที่พวกเราจะรับศีลพวกเราจึงนอบน้อมบรมวครูคือต้นศาสราต้นพระพุทธศาสนาโยรณโบตัสสั ถึงสามครั้งจากนั้นก็พุด ท, ทังทรมังสังขังสรานางคัดฉามิข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเคยยุบพุทธเดือยด พ, พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เองจากนั้นประกาศพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อพวก เราได้ศึกษารพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นที่ยอมรับพระสงฆ์ได้นาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์นาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราก็คงจะไม่รู้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรนี่แหละ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 ปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปาทังสัมมาทิยมิข้าพเจ้าจะขะจะลดเว้นในการฆ่าเพราะว่าการฆ่าคนอื่นเขาใช่ในเมื่อเราไปฆ่าเขาเราก็ฉลาใจเพราะว่าเราได้ฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจใช่ไหม ในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจอย่างนั้นใช่ไหมใช่ why อะไรเพราะเราไปฆ่าเขานีเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาฆ่าพ่อเพียงแม่พี่น้องเราเราจะเป็นดีใจได้อย่างไรเราก็ต้องเสียใจอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีให้เคารพสิทธิซึ่งออกันและกันให้เมตตาต่อกันอย่าไปคิดฆ่ากันอันนี้คือศี่ข้อที่หนึ่ง พ่อที่สองอจินนาธานาเวรามะนีอย่าไปคิดขโมยคนอื่นของคนของคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขามาเรียกค่าถ่ายหรือเขามาขโมยพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราไปเรียกค่าไถ่เราเสียใจไหมเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจเช่นเดียวกัน ถึงเขาจะไม่ลักขโมยถึงพ่อแม่ก็เถิดรักขโมยรถสิ่งของวัวควายสิ่งของของเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศิลข้อที่สองว่าอย่าขบโอยกันสิลข้อที่สากาเมสมิชัยาจาราวีรบดีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนงห่วงเห็นของเขา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 ให้พวกเราสังเกตดูว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเขา เ, าเขาเราเขาเราถ้าเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสียใจเดือดร้อนถ้าเขามาทาให้กับเราเราก็เสียใจเดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินของพระพุทธเจ้าสินข้อที่ห้าเป็นสินพิเศษขึ้นมาหน่อย คือสินข้อที่หสุราเมรยมัชาประมาตการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราหรือเมลยัยสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียร์แล้วก็มีคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายามะมีมากมายทุกวันนี้มีโคโคงโคเกนมีมากเพราะโรคจเจริญโรคของเราจเจริญเพราะนั้นสิ่งที่ ไม่ดีก็จเจริญตามมาด้วยเพราอให้พวกเราศึกษารู้ว่าเมื่อคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติดื่มของเสพของหรือดื่มเมื่อเสพของที่มึนเมาให้ขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทาความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้สินข้อที่ถึงก็ขาดจะขโมยใครก็ได้เพราะไม่มีสติจะน่าราบละล้วงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะขาดสติ จะโกหกใครก็ได้เพราะขาดจติตนี่นะสินข้อที่ห้าคือขาดการยับยัง้งการการยับยั้งตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ขาดจติตแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้พวกเราสังเกตดูสินข้อที่ห้าไม่ใช่สินเล็กน้อยเป็นสินขุมของโลกอีกเหมือนกันท่านหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้สังเกตสินข้อที่ห้าเหมือนกับ อาคารออไหนก็ตามศาลาหลังไหนก็ตามไม่มีสังกะสีไม่มีกระเบื้องมุงหลังคาหลังคาหลังนั้นก็ไม่น่าอยู่เพราะอะไเพราะว่าเวลาแดดออกมาก็ร้อนเวลาฝนตกมาก็เปียกปนเสียหายหมดทั้งศาลาหลังนั้นใช้ไม่ได้เพราะอะไเพราะว่าศาลาขาดที่มุงบงัง นี้ก็เหมือนกันคนทั้งคนถ้าขาดสติสักอย่างเดียวเท่านั้นนะเป็นบ้าสักอย่างเดียวคนกินเหล้าเมาเรื่อว่าเป็นบ้าขาดสติคนคนนั้นหมดคุณค่าหมดความหมายหมดความเชื่อถือเพราะฉะนั้นพวกเราคิดติดตามคําพูดของหลวงพ่อที่อธิบายศีลธรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังหรือที่ว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงนะคุ้มของโลกได้จริง เป็นสวาขาดธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบจริงๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าคุณค่าของศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บัญญัติไว้มีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรอย่างที่ลุงพ่ออธิบายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเอาต่อหนี้ไปมเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายรู้คุณค่าของศีลและธรรมแล้วให้พวกเราตั้งใจสมาทานศีลต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุท ธ, ธาสาัสสะสิเลนะนิพุติยันติตัตมาสิลังวิโสทัเย ตั้งใจฝังนะคณฑ ท, ทานญาติโยมลูกลานตรงพ่อจะได้กล่าวป่าลบเรื่องงานทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้คือผ้าป่าสามัคคีวันนี้พิธีทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถรับส่งผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ของโรงพยาบาลสุวรรณครูหาณกบริเวณอาคารสุขสุ ข, ขสกายบายใจโรงพยาบาลสุวรรณครูหาอำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดน้องบัวลำพูวันจันทร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2558เวลา 9.59 น แต่เลยมาหน่อยหนึ่งนะคณะสาสทา ย, ยาตโยตลมเพราะหลวงพ่ออยู่ไกลวัดอยู่ไกลกว่าที่จะมาถึงจากวัดนาคำน้อยอำเภอนาโย่ข้ามาอำเภอหนึ่งข้ามาอำเภอน้ำโสมมาถึงสุวรรณคูหารู้เสี้ยวทางก็ไม่เคยมาอีกต่างหากทางคดบอลงอก ง, งกคดแขนสอกโอ็ทางทำไมมันคดถึงขนาดนี้วะเออเชื่อว่า มาถึงได้ก็นับว่าดี ล, ละคณะสัตย า, า, าติโจมพอมาเห็นคณะสัตย า, าติโจมลูกหลานเห็นต้นผ้าป่าอของพวกเราก็หลวงพ่อเองก็เอ อ, อถึงอย่างไรทางโรงพยาบาลก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะหาทุนให้กับพี่น้องประชาชนคนทั้งอำเภอของพวกเราเพราะการซื้อรถ มันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของโรงพยาบาลไม่ใช่ของพระสงฆ์ไม่ใช่ของพี่น้องประชาชนเป็นของทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคนจำเป็นต้องได้ใช้ร่วมกันถ้าหากว่าไม่ไมเจ็บไม่ป่วยเราก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าว่าเมื่ อ, อไรเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราก็จำเป็นต้อ ง, องได้ใช้รถนี่แหละรถแอมบูลแนนจําวนี้แหละ แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้ซื้อรถแอมโบอรน์คันหนึ่งนะให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรเพราะว่าจัดทายาิโยมถวายหลวงพ่อกัอนจะเอาอะไรก็ได้ซื้อรถราคาก็ประมาณสองล้านต้นนะ 2, 000, 000ต้นะสองล้านต้นต้นให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรรถคันนั้นก่อนสิศวาใช้ประโยชน์ได้ดีหลวงพ่อซื้อรถกำลังสา0 0ันเลยนะ กำลังแรง3 0 0พันตามตกปกติโรงพยาบาลประมาณ 2,500 แต่หลวงพ่อก็บอกว่าอุดรของเรารับสเสด็จบ่อยถ้ารถของเรากำลังน้อยรถ ก, กำลังน้อยเีลาวิ่งตามรถสเสด็จก็ไม่ทันเพรานั้นจึงใช้รถ3 0 0พัน ก็เป็นที่พอใจของทางโรงพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์อยู่ในนั้นเสร็จอุปกรณ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจความวัดความดันอะไรอยู่ในนั้นแต่ให้สมบูรณ์มอย่างอย่างอย่างรถคันนั้นยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าข้อค่างสมบูรณ์แต่เขาก็ต้องขออีกว่าถ้าได้อีกประมาณครับสามสี่แสนหลวงพ่อบัวเข้าไปจะสมบูรณ์มากเลย หลวงพ่อเออเอาเอาเอ า, เอาเพลงเอาเพียงแค่นี้ก่อดก็พอบางลูกลานขนาดนี้ก็สองล้านกว่าแล้วไนงะอันนี้ก็คือเราซื้อให้โรงพยาบาลสูตอุดรจากนั้นโรงพยาบาลนายูงหลวงพ่อก็ซื้อให้คันหนึ่ง จ, จัดโดดาติโยมถวายแล้วก็โรงพยาบาลน้ํำสมหลวงพ่อให้คันหนึ่งและกระทรงพยาบาลอําเภอหนองพ่อที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าให้คันหนึ่งมาแล้ว แต่ทีนี้พอหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าท่านวรดละนาภาพลงไปรถคันนั้นก็เก่าแก่กใช้มาสิบกว่าปีเขาก็มาขอจากหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรให้ไปอีกคันหนึ่งอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะอันนั้นคือที่หลวงพ่อได้ให้กับโรงพยาบาลแต่ให้โรงเรียนหลวงพ่อก็สมพบให้โรงเรียนก็หลายโรงเรียนเหมือนกันเรื่องรถโรงเรียนนะ แต่มาคราวนี้ทราบว่าอำเภอชุวรนนครูหา เ, าเขตหนองบัวลาพูอยู่ห่างไกลจากที่เจริญก็มีความจำเป็นอย่างมากเรื่องรถโรงพยาบาลรถแอมบูรัรน เ, เพราะว่าเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันนี้พวกเราก็คงจะทราบกันเพราะทางโรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วย พอหนักขึ้นมาเขาจะต้องส่งโรงพยาบาลญ่โรงพยาบาลหนองบัวลาพูบ้างโรงพยาบาลจังหวัดอุดรบ้าง เ, เหล่านี้วันนั้นรถคือเป็นพาหนะที่จำเป็นสำคัญช่วยชีวิตของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของพวกเราวันนั้นทางโรงพยาบาลเขาก็เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมากสำหรับรถนำส่งคนป่วย แต่รถโรงพยาบาลหลวงพ่อก็ได้สืบสอบดูแล้วว่าโรงพยาบาลหนองบัวลําภูของเรามีรถอยู่4ี่คันหลวงพ่อได้สืบสอบน ะ, ะรถอีกสองคันใช้มานานสิบกว่าปีแต่รถคันที่สองสองคันนี้ก็ใช้มาบางทีก็มีปัญหาเพราะเราวิ่งวิ่งบ่อย เ, อเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอรถอีกหนึ่งคันมาใช้ในเขตอําเภอ ตัวันนครูหาของพวกเราแต่ทางโรงทางงบประมาณของแผ่นดินเขาก็ไม่ได้ให้มาเห็นแต่พี่น้องประชาชนครูบาอาจารย์แล้วก็พระสงฆ์นี่แหละพอที่จะช่วยกันได้เขาจึางได้เข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามในการให้ช่วยชุมชนสังคมช่วยสงเคราะห์ โรงพยาบาลโรงเรียนอันนี้คือในหัวใจของหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ได้ช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยเครื่องมือแพทย์มาโดยสม่าเสมอแต่คราวนี้พี่น้องประชาชนมีท่านกลุ่มแพทย์พยาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปหาหลวงพ่อทั้งในานามของหลวงพ่อ อ, อโรงพยาบาลน้องบวัวลาพู ได้เข้าไปปรารบกับหลวงพ่อว่าอยากจะได้รถแอมโบแลน์เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้รับแต่ถ้าตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็แบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกันนะก่อนที่จะมาที่นี่นะคณะสถา ญ, ญาติชมเพราะเหตุายเพราะเมื่อวันที่สิบห้าหลวงพ่อลงกรุงเทพนะสิบห้าสบหกสเ็ดสิเมื่อวานในวันที่สิบหลวงพ่อก็าได้มากลับมาถึงวัด พอมาถึงวัดเราก็จะมีการประชุมกันอีกอยู่ที่วัดนะมาประชุมกันอยู่ที่วัดอีกอกว่าจะเสร็จได้ก็เกือบสองทุ่มเพราะว่ามีกรถินหลวงพระ อ, องค์เจ้าสมสศรีท่านจะมาเป็นประธานทอดกรถินที่วัดหลวงพ่อวันที่วันที่แปพฤศจิกายนเพราะนั้นคู่วานนี้ก็เลยมีการประชุมหารือกันนี่แหละ หลวงพ่อภาร ก, กิจของหลวงพ่อไม่ใช่เนน้อยเหมือนกันนะหลวงพ่อที่หลวงพ่อมาวันนี้ก็เนี่ยพอฉันจังเห็นแล้วก็มาจากที่นี่อายุของหลวงพ่อเท่าไหร่ล่ะลูกหลานอายุเจ็ดสิบกว่าปีจะเดินตลอดตลอดไปก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันวันนั้นมาวันนี้มาด้วยน้าจิตน้าใจจริงจริงมาหาพี่น้องประชาชนาจตยางค์โจมเพราะเห็นคุณค่า เห็นคูณค่าไม่เป็นวัดพูดไปทําไมใช่ไหมพูดไปปออเอเอไปเรื่อยฮะ เ, เพราะฉะนั้นมาพูดก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมได้ฟังทั่วถึงกัน เ, เพราะฉะนั้นจึงจึงได้พูดนะเพราะนั้นภาราธุลระของหลวงพ่อแต่ละวันก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะมาคราวนี้มาสุวรรณคูหาคราวนี้มาด้วยน้ําใจเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เมื่อเราได้รถเข้ามาแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้ส่งลูกหลานญาติพี่น้องของพวกเราถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราจะส่งถึงอุดรถ้าส่งไปค่ําคืนอย่างเนี้ยถ้ารถไปตายกลางทางซะรถไม่ถึงรถไปไม่ถึงและเป็นยังไงเออแล้วพวกเราจะดีใจไหมถ้าเป็นพี่น้อง เออที่เรารักเคารพนับถืออย่างมากพอรถไปถึงครึ่งทางรถตายอย่างเนี้ยและก็คนก็ป่วยหนักอีกต่างหากเราพอใจเราสบายใจไหมต่างคนก็ต่างไม่สบายใจด้วยกันทั้งหมดเพราะนั้นถ้าว่าทางโรงพยาบาลของเราได้รถดีเออมีศักรยภาพเออเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราส่งถึงโรงพยาบาลเราก็มั่นใจเพราะเหตุไรเพราะว่า ถึงยังไงก็ถึงแน่รถของเราเดีรถของเราใหม่นี่แหละขอให้ข่าวนี้ก็ที่พวกเราได้มารวมมาร่วมกันสละทุนนะครั์เพื่อซื้อรถคันนี้หลวงพ่อว่าถ้าหากว่าพี่น้องจัดทายาตโยมอเภอสุวรรณครูหาพร้อมกับพระสงฆ์มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน หลวงพ่อว่าของเล็กน้อยเงินเพียงสองล้านกว่าบาทถ้าเราไปเอาไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ยิ่งมากกว่านั้นแต่เนี่ยเราเอามาทำบุญสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าทำทุกวี่ทุกวันในชีวิตของพวกเราเนี่ยนานเท่าไหร่จึงพวกเราจะได้ทำหลวงพ่อว่าน่าจะเสียสลักผู้มีอันจะกินก็เอาออกมาคนละ1มื0นสองสา0 0มื่นสี่ห้ามืน ถ้าหาว่าผีน้องประชาชนก็เอาตึงๆมือสักหน่อย เ, อเพราะว่าอำเภอสุวรรณนคูหาของพวกเราก็ทำมีไรยางต่างเจเยอะแยะไปเอาคนละพันสองสามพันบาทมาออกมาร่วมกันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในโรงพยาบาลในรถของพวกเราหลวงพ่อว่าเงินเพียงสองล้านกว่าบาท เป็นของเล็กน้อยสำหรับพวกเราถ้าว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันถ้าว่าพวกเราหน้าที่ไม่ใช่ข้าข้าไม่ใช่หน้าที่จนนู้นละ่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเอาพ่อแม่พี่น้องลูกเมียของตนเองเอาไปขึ้นรถรถไปตายอยู่ครึ่งทางนั่นแหละจึงจะสำนึกได้ข่าวนั้นมันสายไปเสียแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย ที่มาร่วมกันได้มาฟังที่หลวงพ่อได้แสดงหรือมาพูดให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธายาโยมได้ช่วยกันคิดนะให้ช่วยกันคิดหาทุนนะรั์เพื่อซื้อรถคันนี้เมื่อซื้อขึ้นมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับชุมชนของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นการสร้างบุญสร้างนนกุศลในจิตใจของพวกเราเมื่อพวกเราทาลงไปแล้ว มีแต่ความสุขกายสุขใจถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทําบุญเราจะเรียกร้องหาบุญกุศลมาจากไหนบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องเคื่อกุณหนุนสําหรับพวกเราจะว่าปุญญาณิปัลโล ก, กัตสมิงปฏิฐาโหรติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรพพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาถ้าพวกเราไม่ได้สร้างบุญไม่ได้ทําบุญเอาไว้ เราจะพึ่งพาอาศัยบุญกุศลของเราได้อย่างไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝขากไว้กับพวกเราทุกๆท่านเพราะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะพี่น้องประชาชนศัติาญาติโยมตายแล้วเกิดอีกทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเวียงวังไปประพฤติปฏิบัติไปบาเพ็ญถึงหปีอยู่ในป่า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 เกิดญานรัตนะเกิดฌานขึ้นมาเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้นได้ญาณรัตนะวะ่าปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้แต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกถึงชาติผลหลังได้ยังไงเหมือนกับเราเกิดมาวันนี้วันเดียวเออไม่ได้ผ่านเมื่อวานเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงนี้ระลึกถึงเพราะเรามีอายุมาหลายวัน หลายเดือนหลายปีมาถึงจุดนี้เราก็ระลึกถึงอดีตชาติอดีตที่ผ่านผ่านมานี่แหละพราะพรุทธเจ้าท่านมียานรัตนะมีความรู้พิเศษระลึกถึงข้ามภพข้ามชาติไม่รู้กี่ร้อยกี่พั น, ก, พนกี่หมื่นกี่แสนชาติแต่พระพุทธองค์ท่านก็มองเห็นว่านี่เรามาจากไหนจากนั้นก็มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาทําไมแปลกแตกต่างกัน ทำไมโง่ทำไมฉลาดทำไมสวยทำไมงามทำไมขี้ร้ายขี้เละทำไมพิกงพิการทำไมเป็นบ้าเป็นบอ ก, ก็มีทำไมคนเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะพร ะ, พะองค์บอกว่ากรรมกรรมคือการกระทำคิดไม่เหมือนกันทาไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันเมื่อเหตุ น, นั้นการคิดาาการทำการพูดไม่เหมือนกันกรรมที่การกระทําลงไปนะจำแนกให้สัตว์ชับทั้งหลายเกิดแปกแตกต่างกัน เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าแปลกใจว่าคนเราทำไมไม่เหมือนกันเพราะกรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับคนที่ขี้เกียจโง่อีกต่างหากและจะรวยได้อย่างไรนะแต่ว่าคนขยันมีปัญญาเขาก็ย่อมหาทรัพย์ได้นี่อันนี้มันกรรมจำแนกเหมือนกันในปัจจุบันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วท่านสอนว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก บาปบนคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าพวกเราไม่เชื่อว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนี่แหละคนอยู่ในคุกในตารางเนะ่ยเขาทําอะไรเขาจึงได้ไปติดคุกเพราะอะไรเพราะเขาทํากรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วเขาทําในเมื่อทํากรรมชั่วและกรรมชั่วให้ผลนั่นแหละตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่า อ ก, กตังลุกกตังเสยโยปัชชาตะปติทุกกตังกรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เชื่อกมเชื่อผลของกรรมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอย่างที่วันนี้ล่ะพวกเราก็ได้รวบรวมกันเพื่อหาทุนเพื่อซื้อเครื่องซื้อรถซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือชุมชนสังคมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ส, สาหรับพวกเราทุกๆท่านอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ ถ้าพวกเรามีบุญปีกุศลแล้วมีบุญในจิตในใจแล้วไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าพวกเราทําแต่กรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วนั่นแหละเกิดชาติในชาตินี้ก็ทกขยากลําบากพอตายออกจากชาติชาตินี้ไปแล้วไม่เชื่ออีกต่างหากเราก็จะต้องตกต่ําอาจจะไปเกิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทางนั้น เพราะอะไรเพราะกรรมชั่วเน่ยก่อนที่พวกเราไม่ได้ทาคุณงามความดีหรือหรือผู้ที่ทําคุณงามความดีก็เถอะนะถึงจะทําคุณงามความดีแต่โค้งสุดท้ายเราคิดถึงแต่ความชั่วกรรมชั่วต้องให้ผลต้องไปตกนรกก่อนแล้วจึงหมดกรรมชั่วนั่นแหละจึงค่อยไปสู่ความดีคือสู่สวรส์ นี่แหะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสให้พูดเอาไว้ว่ามีภิกษุองค์หนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์เจดจประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตะวันมหาวิหารท่านปารบภิกษุองค์หนึ่งเออที่บวชเข้ามาแล้วท่านก็ไปปฏิบัติอยู่ในป่ารงพงไพปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาแต่คราวหนึ่ง ท่านได้ผ้าจีบอลเขาถวายโยมถวายผ้าไม้มาฮะผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเป็นกีบอลท่านก็ได้ผ้านั้นนับมาท่านขอเออผ้ากีบอลของข้าพเจ้ายังดีอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเอาเถอะลาข้าพเจ้าจะเก็บผ้านี้ไว้ก่อนเลยไปฝากาว่าฝากผ้าผืนนั้นไว้กับพี่สาวพี่สาวก็รักษาไว้แล้วพี่คุณโยมพี่ผ้าอาตมายังดีอยู่ แต่เมื่อผ้าอาตมาขาดอาตมาจะมารับไปเย็บตัดตดเป็นผ้าจีวอลขอให้โยมพี่รักษาผ้าไว้ให้อาตมาด้วยโยมพี่สาวก็เออได้โยมพี่สาวก็เก็บไว้จากนั้นพอต่อมาภิกษุองค์นี้ก็เดินผู้ดลงไปในสถานที่ต่างๆจนผ้าจีวรชนะํารุดขาดนะจากนั้นก็กลับมามาหาพี่สาวโยมพีออ่ผ้าที่เก็บไวนะ้ยังยังมีไหมมีโย พี่สาวเขาเลยมอบให้พอมอบให้พระองค์นั้นก็ได้นำผ้าจีบอลพอนำผ้าจีบอมาแล้วก็เข้าไปหาพระเถระผู้ใหญ่คือสมัยนั้นเขาจะพระประวัดป่าเชตะวั น, เ, นเขาจะมีเป็นคณะคณะหนึ่งคณะสองคณะสามคณะสี่มีหลายคณะนะแต่นี้ท่านก็พระองค์นั้นก็เข้าไปเข้าไปหาพระเถระผู้ใหญ่ พระเถราผู้ใหญ่กับประกาศเออเอาวันพรุ่งนี้เนอะพระองค์นั้นท่านจีวรชำรุดให้ช่วยกันมาตัดผ้าจีวรเย็บผ้าจีวรช่วยกันเนอคล้ายๆว่าลงแขกนะเออลงแขกเย็บผ้าจีวรของพระพระสมัยนั้นไม่มีจักเย็บผ้าใช่ไหมต้องเย็บด้วยมือเออต้องลงแขกกันมันจึงจะสําเร็จได้เพราะฉะนั้นพระทั้งหลายมารวมกันเออแล้วก็ตัดเย็บผ้าจีวรกันลนะตอนแต่แต่ฉันจังหันเสร็จ แล้วก็พระองค์ที่เป็นเจ้าของกีวรก็ไปบอกโยมพี่ว่า โ, โ, โยมพี่โยมพี่อาตมาตัดเย็บผ้ากีวรของอาตมานะขอให้โยมพี่จัดอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ให้อาตมาด้วยเพราะว่าพระสงฆ์ทำงานกีวอนการการการีวอนเดินทางไกลบินทบาทไม่พอฉันเพราะพระไตรเจ้าบัญญัติให้ฉันปรำพระชื่อฉันฉันสองครั้งได้เพราะฉะนั้นวันนี้ พระสงฆ์ได้ทำผ้าจีวรให้อัตมาขอให้โยมพี่จัดอาหารถวายเพนให้อัตมาด้วยโยมพี่ก็ยินดีจัดอาหารไปถวายจากนั้นพระสงฆ์กต่างคนก็ต่างตัดเย็บจีวรเพรามันเป็นเรื่องใหญ่การตัดเย็บจีวรพอตอนใกล้เที่ยงก็ถวายพัตนาหารพระสงฆ์พระสงฆ์กับฉันพัตนาหารเย็บผ้าจีวรต่ออีก จนเสร็จพอเสร็จแล้วก็พระองค์นั้นก็ได้ผ้าจีวรลใหม่เลยแต่นี่มาก็มายอมสีเป็นที่พอใจพระจีผ้าจีบรเป็นที่พอใจของพระจากนั้นว่าพระองค์นั้นก็นึกในใจเออวันพรุ่งนี้เราได้ผ้าจีวรลถูกใจที่สุดสีก็พอดีขนาดก็พอดออีความหนาของผ้าก็พอดีเป็นที่พอใจมากผ้าจีบรลผืนนี้ วันพรุ่งนี้เราคงจะได้คลองน่ะคลองผ้ากีวรนผืนนี้คือพระอาค์นั่นคือมีความพอใจอย่างมากรักอย่างมากรักในผ้าจีวรใหม่ของตนเองพอต่อมาทีนี้พอถึงกลางคืนมาอาหารที่ตัวเองทานเข้าไปคงจะทานอาหารผิดเวลาอาหารเป็นพิษพออาหารเป็นพิษเท่า น, นั้นแหละกลางคืนมาก็กระเสือกกระสนเล้ทีนี้ ผลในสุดพะออกนั้นเลยใจขาดตายนะเนี่ยก่อนที่จะใจขาดตายท่านก็นึกถึงกีวรของท่านโ อ, อ, อ้วันพวกนี้ข้าพเจ้าคิดถึงกีวรข้าพเจ้าจะได้ขล้องผ้าจีวรผืนนี้แต่ทําไมข้าพเจ้าคงจะไม่ได้คลองผ้าจีวรเสยละบั่งคล้ายๆว่าขณะที่ใจจะขาดนึกคิดถึงผ้าจีวรพอใจกระขาดช่วงนั้นพอดีพอใจขาดเท่า น, นั้นนหะ ตัวเองวิญญาณของตัวเองห่วงผ้าจีวร อ, อย่างมากก็เลยไปเกิดเป็นเลนเป็นเด่นเป็นไายเป็นตัวลายตัวเลนเกิดในผ้าจีวรเกิดแบบขุดขึ้นนะไปอยู่ในจีวรผืนนั้นแต่เนี้นพอสว่างขึ้นมาพระสงฆ์ทั้งหลายก็พูดกันว่าพระองค์ที่เจ็ดตัดเย็บผ้าจีวรให้เมื่อวานนี้ตายแล้วพอฉันยังหายเสศษพระสงฆ์ระเออเมื่อตายแล้วกับเขาเลยสิ เก็จัดการเผาพระองค์นั้นไปชุมเพลิงพระองค์นั้นพอไปชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็มาเพื่อจะแจกผ้าจีบอละแจกอัฐบริขารของพระองค์นั้นพอกําลังจะจัดแจกบริขารเท่านั้นอ่ะผ้าพระองค์นั้นที่เป็นตัวตัวเรนตัวไรอยู่ในผ้าจีบอลผืนนั้น่ะวิ่งบอกว่าพระพระทั้งหลายจะแจ้งผ้าจีบอลของข้าพเจ้าพระทั้งหลายจะแจ้งจีบอลของข้าพเจ้า ตัวเล่นตัวไรมันร้องเพราะตัวเล่นตัวไรมันได้ยินนะพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่พระคันทกุดีที่กุติภพพุทธเจ้าท่านมองท่านได้ยินเสียงเสียงตัวเล่นตัวไรแมันร้องนะเพราะพระพุทธเจ้ามีหูเทปใช่ไหมล่ะเออเทปเทปปะโสตะหูเทปท่านได้ยินเสียงกระถาเสียงตัวเรนตัวไรตัวไรร้องก็ได้ยินฮะเออเพราะมันร้องออกมาจากใจตัวเล่นตัวไรตัวนั้นพระพุทธองค์บอกว่าอานน์ ให้ไประงับพระจํานวนที่จะแจกอัฐบ ร, ริขารพระองค์ที่ตายเมื่อวานเนี่ยร ะ, ะงับไปก่อนนะอย่าเพิ่งแจกไปจนกว่าเราสถาคตจะสั่งเป็นอย่างอื่นพระอนอนท์ก็วิ่งไปบอกกับพระเหล่านั้นเอ้ยจุดก่อนนะท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าสั่งให้ระงับอย่าเพิ่งแจกผ้าจีวรของพระที่ตายเมื่อวานเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับจนกว่าพระพุทธองค์จะสั่งเป็นสั่งมาอีกนะครับ อัน้พระสงฆ์ก็แปลกใจก็เก็บผ้าอัฏฐบริขารองคนั้นไว้พอเจ็ดวันเล่นตัวนั้นตายตายจากเล่นอั น, นิี้สงสีนั น, นิสง์ภาวนาของท่านมีอยู่เพราะขณะที่ใจจะ ก, กาะท่านคิดถึงผ้าจีบอลท่านก็เลยมาเกิดมาเกาะมาติดอยู่ในผ้าจีวรของท่านแต่บัดนี้พอท่านตายไปแล้วท่านไปสู่สวรรค์เพราะอั น, นิี้สงสีนั น, นสง์ภาวนาของท่านมีอยู่ เมื่อท่านไปสู่สวรรค์แล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าอาน o ์ให้ไปบอกกับพระเหล่านั้นนะให้แจกอัฐบริขารของพระองค์นั้นได้แบ่งกันซักทีนึ่เอ่แต่นี้พระอาน o ์ก็มาบอกกับพระที่เป็นหัวหน้าเออท่านแจกกันได้นะบริขารพระองค์เมื่อวานนี้จากนั้นพระเหล่านั้นก็เลยแจกบริขารกันแต่มีความ นึกคิดในใจเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าสั่งระงับแล้วก็สั่งให้แจกต้องมีเหตุแน่ๆปะพวกเราไปกราบพระพุทธเจ้าจากนั้นพระเหล่านั้นก็เลยพอแจกจีวอลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าไปถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ได้สั่งให้พวกข้าพระองค์ระงับไม่ให้แจกผ้าจีวรเมื่อเจดวันให้หลังแต่บัดนี้วันนี้พระองค์สั่งให้ท่านอานน์ไปบอกข้าพระองค์ให้แจกผ้าจีวรล ด้วยเหตุอันไดหนอพราะพระไเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพระองค์ที่ตายในวันนั้นนะ่ะเขาเป็นห่วงผ้าจีวรของเขาในเมื่อเขาตายแล้วนะ่ะใจของเขาเป็นห่วงเขาก็เลยไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรในผ้าจีวรแต่บัดนี้เขาตายจากตัวเรนตัวไรแล้วคืออายุของเรนของไรนะอายุเจ็ดวันเขาตายจากเรนไรตัวนั้นแล้วเขาไปสู่สวรรค์แล้ว คะนั้นเราตถาคตจึงให้พวกท่านแจกผ้าจีวรได้นี่แหละนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาก่อนที่พวกเราจะตายลงไปเนี่ยถ้าเราเป็นห่วงหาอะไรห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงสิ่งห่วงของห่วงอะไรก็ตามวิ ญ, ญญาณจะไปเกาะอยู่จุดนั้นนะกระสตาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายเพราะนั้นเราควรจะฝึกเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะใจขาด ให้เราระลึกถึงคุณงามความดีให้ระลึกถึงบุญกุศลของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างวันนี้ลนะ่ะพวกเราได้มาเสียสละเงินคำทรัพสมบัติมากน้อยเมื่อค่าพระเจ้าก่อนที่เราจะใจขาดเราก็ระลึกถึงถึงจะของเล็กน้อยกว่าจริงแต่มีคุณค่าพวกเราได้ช่วยเหลือชุมชนช่วยชีวิตของมนุษย์ชาติช่วยซื้อรถให้กับโรงพยาบาล อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใจขาดหรือว่าเราจะตายลงไปให้ละลึกถึงคุณงามความดีอย่าไปลึกถึงความชั่วความเสียหายถ้าพวกเราละลึกถึงความชั่วขนาดพระท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอยู่ในป่ารงพงไพขนาดนั้นเมื่อใจจะขาดท่านละลึกถึงคิดถึงห่วงหาอะไรท่าจีวรของท่านท่านยังไปเกิดเป็นเล่นถึงเจวัน เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดในสิ่งที่ชั่วก็ไปเกาะติดอยู่ในเรื่องนั้นๆเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบแต่คุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญมีความสุขความสบายใจแล้วก็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 วันนี้หลงพ่อเทศลงไปได้กันเทศหนึ่งหมื่นนะหลงพ่อจะแถมมาอีกสองหมื่นให้เป็นสามหมื่นมอบไปโรงพยาบาลนะ